เรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์ในช่วงหนึ่งที่ชาวคณะศิษย์ของท่านอาจารย์พร ร, รัตนสุวรรณและญาติมิตรนําโดยอาจารย์ศรีเพนจัตุทศีได้เดินทางไปกราบน้ำระสการท่านเวรหลางพระสังฆาปริณายกองค์ที่หกของพุทธนิกายชาญที่หลังจากมรณภาพไปกว่าหนึ่งพันปี สรีระของท่านก็ยังคงสภาพอยู่ให้คนมากราบไหว้ได้ตราบเท่าทุกวันนี้นาวัดหนานหัวเมืองเสากวนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลกวางตุง้งจึงหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการฟังในครั้งนี้ไม่มากก็น้อยขอเชิญท่านติดตามฟังได้เลยครับ ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสเห็นที่ิงที่งามนะจะแล้วก็พวกเราก็โชคดีที่เห็นแล้วว่าพวกเราจะยังเป็นคนที่ไม่มีดวกตายังมองอะไรไม่เห็นแต่เรายังโชคดีที่เรามีดวงตาสวรรค์มากับเราที่จะให้ความเมตตามาดีมาุณาต่อพวกเราเพื่อให้เราได้ ได้รู้ได้ทราบบรรยากาศต่างๆที่ผ่านมาที่เราไม่มีโอกาสได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นขอทุกคนจงจำใจให้สงบและระดับรับฟังแม้วเสียงสวรรงนอบัุ่มดีนะคะคุณติ๊กสวัสดีนะทุกคนสวัสดีค่ะต้องของนะของพวกเราทุกคนที่ ได้มีโอกาสให้มาเข้าสู่บรรยากาศประวัธิของุ่นด้วยละด้วยลาที่ท่านกรุณาพวกเราให้ได้มานับสุจริที่ดีที่งามตลอดไแล้วเป็นทางที่านมาเพราะนั่นแต่ออกจากสนามทิ่มาจากกรุงเทพอไอจากสุวรรณภูมินะก็บรรดามวลเร่าเจ้าม่อทั้งหลายองโอ้ รู้สึกว่าท่านดีใจมากที่ว่าคณะของเราที่จะได้มาเยี่ยมแอนดินของที่นี่ท่านก็บอกว่าทำกลับมาเพิ่มพลังให้กับสิ่งที่ดีที่งานที่ท่านมีอยู่นั่นแหะให้เพิ่มโูดอินขึ้นแล้วเพื่อท่านจะได้ให้ทอนให้เสิ่งให้ทอนสาหรับเป็นความสําเร็จทุกทุกคนที่ได้มาไม่ใช่แต่คณะเราที่ได้มา มาไหว้มาระลึกถึงเนี่ยจะได้จะได้ขบงกิจิที่ดีที่งามเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นกิจิตที่ดีอ่ะที่ที่พวกเราเนี่ยคือวินานบอกว่าท่านไม่ค่อยไ เ, เจอไม่คยได้พบในเอกมันมันาพวกที่มามาเที่ยวมาถามมาไหว้เนี่ ย, ยที่มีจิตเป็นกุศลที่มีจิตเป็นเป็นเป็นมาเพิ่มพลังให้กับ เป็นเป็นพลังของสวรรค์จากที่นี่ไปเวลาใครม า, ากราบมาไหวา้ก็จะได้กลับไปในพภพจริงที่ดีที่งามตลอดเวลาอย่างเงี้ย<ช>เพราะฉะนั้นเอ่อก็ท่าก็ขอบคุณมากขอบใจมากขอบไม่รู้ว่าจะขอบใจยังไงที่ว่าได้มาเพิ่มพลังให้กับท่าแล้วก็เทวดามีใครมาบ้างคะพี่ะะอุ้ยเทว ด, ดามาพี่แล้ว <laughs> <นะ S 2> <laughs> ไม่ไม่รู้ว่า ทั้งจากกวานมข้างดีใจดีใจอาจารย์ตอนมาเพราะโดยเฉพาะอย่างที่ที่เราขึ้นไปเมื่อวานนี้ที่ไปที่ที่ขึ้นกระเช้าไปช่มารย์ตอนใช่ใช่อนนั้นเป็นภูมิสวรรค์เลยใช่ไหมคะพี่เป็นภูมิสวรรค์ภูมิภงมิ่มาให้ความแสงสว่างให้ความสงบสำหรับทุกคนที่มากราบมาไหว้อโอายเป็นพลังสีลุงเลยใช่ไหมคะพี่คะเป็นสีลุง หลายๆายสีแล้วก็รวมม้วนตัวเป็นแบบธรรมจักรเป็นรูปธรรมจักรใช่ไหมคะค่ ะ, ะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องบรรพบุพรบุษพวกเรามาทั้งหมดไหมคะพี่ร้านคงจะมาหมดแล้วก็แต่ก็พี่ก็ไม่รู้จัดกก น, นะอ่าแล้วท่านก็โ ด, โดยเฉพาะญาติพี่น้องแล้วก็บรรดาพวกพที่ที่เป็นญาติพี่น้องพวกเราเอ่ะมีโอกาสคือเราเป็นสื่อให้ท่านได้มาถึงทีน่นี่อีก อะไเงี mà, size, Cold, aso, ้ยไม่งั้นถ้าถ้ามันมีเราตื่นท่านก็บางทีอาจจะไม่ได้มาพบบรรยากาศ่างนี้โอเคแล้วทุกคนท่านก็อวยพรให้ทุกคนให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเดินทางชีวิตก้าวต่อไปข้างหน้าโดยที่ว่าไม่มีเออคืโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพอย่างร่างกายแข็งแรงไม่มีเจ็บอีกใครแล้วก็ไอสิ่งที่ไอ มันจะปลอดโปร่งไปแค่เราตลอดแหละไม่มากอวัยวะส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้คดีมากค่ะค่ะแล้วก็อยากจะขอความรู้จากท่านเวลานิดนึงค่ะว่าประวัติที่ท่านเขากล่าวถึงท่านอย่างเงี้ยขอให้ท่านให้แสงสว่างให้เราได้ได้รับความจรงิงเหมือนที่พ่อแม่เคยบอกเราอ่ะค่ะว่าที่เขาเอ่อที่ว่าร่างท่านไม่เน่าไม่เปื่อยอะไรที่นั่งอยู่ใช่ไหมคะเนี่ย คือร่างกายมันก็มันก็เปือ่อยก็เน่าไปตามสภาพของธรรมชาติของเหมือนอย่างเหมือน อ, อย่างคนถ้เป็นคนมันก็ต้องเนา่าต้องเปือ่อยน่ะนะ<ช>แต่ว่าสิ<ช><ช>่งที่เน่าที่เปือเ่อยนั้นมันมันกลายเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งศกสิเป็นสิ่งที่ทำให้คนได้เห็นอีกอะ่ะคื อ, อก็ก็อยู่ในในวัดที่เราไปเนี่ยใช่ไหมัะใช่อ๋ออ๋คือร่างท่านก็อยู่ที่วัดที่เราไปเนี่ยใช่ไหมคะ แต่แต่ว่าเพียงแต่เน่าเปื่อยแห้งไปตามการใช่ไหมคะตามการเวลามันก็มันก็แห้งก็เปื่อยแต่ว่ามันมันก็อยู่ในสภาพที่เป็นเป็นเหมือนของศักิ์สิทธิเหมือนวัตถุสิ่งของที่มันไม่ไม่เปื่อยไม่เน่าอ่ะเป็นยิ่งกว่าคือคนเพราะว่าเก็บสรีระท่านไว้ทำมันเป็นคือมันคื อ, คอพลังมันมีพลังไง พลังอ๋อคือคล้ายๆวัตถุเนะี่ยสลายไปแล้วแต่พลังของท่านยังอยู่ตรงนั้นใช่ะแสงสว่างต่างๆเนี่ยจะเราใครมากราบก้ม่ห้ก็จะเด้ละเป็นเชื้อเป็นสิ่งที่ดีกับกับพวกเราต่อไปอืค่ะแล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วท่านให้โอวสอะไรกับเราบ้างคะพี่ท่านบอกว่าก็ในในบรรด า, าต่างๆที่ ท, ที่ที่ตลอดเวลาที่พวกเราอยูอ่มากก็ ความสับติดอ่ะมันมันจะมีอยู่ตลอดไปไม่ว่าเราจะคิดอย่างไรก็จะสมบัติฟังนะาะโอเค่ะพวกเราก็รู้จักดีใจที่ได้ประกาบท่านนะด <c ười> ีใจถ้าเราจะทํายังไงให้ <c ười> ให้จิตเดิมแท้แล้วเนี่ยบริสุทธิ์ได้ยังไง <c ười> จิตเดิมแพ้ของเราจะจะบริสุทธิ์ได้ก็ <c ười> เราต้องคือตลอดเวลาที่เราเดินทางในทางขันเนี่ยคือดีที่ว่าเรามี พระุทธองค์เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นสุดยอดของผู้นำทางเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราอยู่ในเช่นนี้เราก็จะได้พบแส่สว่างจิตเดิมแท้ของเราจะบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ ย, ยากค่ะยยแล้วก็เอ๊้ญาติน้องอะไรเนี่ยเขาจะเลื่อนพบภูขึ้นไหมะหรือว่าที่เขาได้มาเนี่ย ไมไเลื่อนขพราะบูมหรือว่าได้รับคืออันที่สองอะไรเพิ่มไหมคะคือได้รับแน่นอนเลยอย่างประมาณเนี่ยคื อ, ค, อคือทุกคนมาด้วยจิตที่ที่ เ, เปรี่ยมไปเรื่องความความใสสว่างแล้วก็มีความตาหาเนยอันที่อยากจะมาเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเป็นตื่ น, นให้ทําให้ท่านได้ามาถ้ามีอย่างนั้นถ้าไม่มีพกดไ ม, ไม่ไม่มีญาติพน้องที่นนแบบที่ทั้งก็คงจะไม่มีโอกาสาอะไรอย่างเงี้ย ใครใครมีปัญหาอะไรจะถามบังใบาส่งมาเร็วเร็วบาเาพวกเอามาอะเนี่ยมามาบอกเรื่องสุดขั้วฮะคุณทวีถามมาได้ไหมครัทวีถามอะไมาเร็วเรวอุทวีค่ะอุทวีค่ะ ถามอะไรป้ามคะอะไรก็ไมรู้หมดแล้ว huh. ค uh ุณเจนี huh. uh ่ถามันไดขอเชิญแล่าเสียงสวรรค์แล้วเปิดโอกาสมาเรียบรีมาวอะไรนะวันนี้แต่มามามาพูดอะไเจ้เก้เข่งแม่พูดป่าคุณมาจะพูดต่อดีไหมอ๋อลุงอาจารย์ทนให้อว่าอย่างไงบ้างกับป้า ว่าอะไรนวน่ทุกคนที่จะมีอยู่อยู่ในสานี้ตลอดเวลาที่ย่งแต่ไม่มีสถานแล้วก็นองเตียงโยกานอยู่างแนี้เนี็ิที่ดีที่งามสำหรับพวกเราตลอดไปน่ะาก็จะได้เข้าถึงกิจเดิมแท้แล้วในที่สุดก็จะหลุดค้นไปจากก็จะสงสารได้อ่ะคช่ไหมคุณถามอะไรดีะ แม่ก no ็ต้องอยาจะถามอยาจะถามอะไรไหมคุณยายถามอะไรเพื่อคมเนอ่ะ่ะังมาเลยคือยังมาเลยคืออยากจะให้ญาติญาติพี่น้องของเราเนี่ยได้ได้รับกุศลผลบุญอะไรเนี่ยค่ะ เขาจะได้เลื่อนพบภูมิหรือว่าได้ได้รับอนิสงส์จากที่เราได้ได้มากราบไหว้ท่านเนี่ยเปไปได้ไหมอแต่เงี้ยคะคือคือพยานเป็นองของพราบิดาเนี่ยเขาดีใจเขาบอก เก็อยากจะเปลี่ยนครอบครัวมาไหนเพียงแต่ว่าจิตใจเขาให้มีมมนนสาอยู่ะตลอดเวลาพอเพราะว่าไม่อยากอย่างเดียกล้คุณเก่อยากใกล้คุณคุณเสีวอยู่ยังกวยังสวยสาวขึ้นเลยพี่กบบอกว่าพี่กบมาเช่วกคุณยายเนี่ยมาดูแลคุณยายพี่ แล้วยังไม่รูวผมจะใช้ชีวอ่างรเหรอโอ้ก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นเนาะแสดงพื้นเดิมก็ดีเข้าใจอะไรง่ายขึ้นแล้วองไม่วางก็จงเจ้หอชันท้งไม่ได้วงลูกวางจ้หมอชันหมอชานายห่วงมีมีมีน้องกบอยู่เป็นเสื้อนอยู่ตลอดที่กบไม่ได้ไปไหนค่ะ แต่นี่ต้องขอบพระคุณที่่อบคุณท่านพระเจ้าขอบคุณท่าน้วลาร่ะงเทพเจ้าทัานโบดถ์นะคะที่ทาให้เราได้ได้มาพบสิ่งนี้ทุกเล่มทุกเรื่องเลยนะไปไปตรงไหนก็แล้ววกแเป็นที่ดีอีกงามแล้วก็ไม่มีสถานที่ที่จะเราทำรูปบสบายดีอยูไม่เบท่านี้ค่ะค่ะ นะคะต่อไปพวกเราก็จะมีแต่เองเฮงรวยรวยอย่างทั้งใจแล้ว <laughs> ห <laughs> ็เฮงที่ควบคุมในความโชคดีทั้งหมดนะคะอ่าแล้วก็ฝากฝากป้าบอกพี่กบที่นะคะฝากฝาี่กบถึงเงินจขไฝากป้าค่ะนพี่ก บ, บอกวบว่าคิดดูของพี่กบมากานะคะแล้วพี่กที่อยู่ในใจตลอดไปนะคะ Na na na na na. อิชาอิชากาลมาลิตาอภัพปวอตนาาเริวาลาสันวะปานะะเตวมิสนว อาติตะกัลลาปัลลาติตะอาติตะกัลละปัลลาติตะอาหะมะนาวองค์เจนาติตาเลอาสัปิตาภูริเววามุาอันไดยูนิเวตัวมีมารีอันกัยูนิเว Na ra b a m ma ja ka na la na ra b a m ma ja ka na la na k e ka ya ya na om je ja ka di na le na la ya na m a ya na la ya na la ya na la ya na la ya na om na la ya na la ya. Na ra yan a na ra yan a om tat na ra yan a na ra yan a om om jeta guru deva na ra yan a na ra yan a om tat na. Na la ya na la ya na o sa na na la ya na na ya na na la ya na om na la ya na la ya n มันเป็นความจริงตามต้องพื้งจริงแล้วจึงสมหมายใครอยู่รำพังอย่าวังใจได้ไดั่งใจตายอุกกาฮนี้สิมไมควรด้ ตกใจแล้วยังใฝืนกันทุกคนเกิดแล้วยังมีวันตายต้องปวดปวดใจหมายดีเท่านั้นแม้จะทำตัวทำจตามกน ที่ทำมันเปียนทางเจอันทุกวันกรเื่อโลกทุกคนเติดแล้วยังมีวันตายต้องค่วนข่วนไปหมายดีเหล่านั้นแม้จะ น้องตัวผัวพันหาทําดีทนบุญดีสวีมันผู้เกียจนามเชิดใจทุกวันจ่ารืนร่นรมทุกคนมีแต่ความรื่นรมเพื่อแสงเงาคำมากของพระพุทธองค์ทุก ตองไปตุ้งุ้ินีอะไรต่อข้าเชิญจ้เชิญเชิต้องพิวมาลอเพลงะเพลงมะมามามามาล็อกเพลงะเพลงตามันเอลงเพราะๆนะอาเพที่เล่นฉิมอะนั่ลเดี